วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมมีความสนใจในธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม เพราแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงธรรมที่ท่านจะได้ยินในวันนี้ก็คือเรื่องสามทางเลือกของดวงวิญญาณทางเลือกสามทางของดวงวิญญาณเป็นอย่างไรก็คือตอนนี้จิตใจของเรามีร่างกาย จิตใจก็ใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัชนิดต่างๆแต่ต่อไปร่างกายนี้ก็จะต้องแก่เจ็บตายไปพอร่างกายตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณ ร่างกายตายไปร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้เป็นธาตรู้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อแต่อยู่ในสภาพของดวงวิญญาณและดวงวิญญาณนี้ก็จะมีทางไปอยู่สามทางด้วยกัน คือทางที่หนึ่งก็คือไปสู่สุขคติคือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ mm. ทางที่สองก็คือไปสู่ทุกขคติก็คือไปอยู่ในอบายสี่สี่ที่ด้วยกันไปเป็นเดลชานเป็นเปรตเป็นนรกอสูรลกายหรือไปตกนรก mm. และทางที่สาม ก็คือไปนิพพานไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถ้าไปทางสุคติหรือไปทางทุกกติหลังจากที่ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆพอบุญที่ส่งไปอยู่ในสวรรค์หมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะใหม่ถ้าไปสู่ทุกขติก็จะไปอยู่ในอบายไปเป็นเดรชาบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรรกายบ้างไปตกนรกบ้าง หลังจากบาปที่ได้ทำไว้หมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐาพาหม่วิญญาณที่กลับมาจากสวรรค์ก็จะมีนิสัยทาบุญทากุศลติดตัวมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมาทำบุญต่อทำบุญทาทานรักษาศีลถ้ามาจากกระบายดวงวิญญาณก็จะมีนิสัยชอบทำบาปพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบาปทำกรรมต่อไปนี่คือลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดในสุขกติหรือในทุกขกติไปสวรรค์พ่อบุญ ไปอบายไปนรกข้อบาปแล้วนะพอบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปสวรรค์หรือไปอบายหมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทําบุญทําบาปใหม่ตามนิสัยเดิมถ้ามีนิสัยทําบาปก็จะกลับมาทําบาปต่อถ้ามีนิสัยทําบุญก็จะกลับมาทําบุญต่อ แล้วก็เวลาร่างกายตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระพุทธศาสนาก็ดีก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณ แล้วนะถ้าอยากที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็มีวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพร้อมที่นำมามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่เบื่อต่อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์มากกว่าความสุข แต่ก็ไม่มีไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้วิธีที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ต้องรอมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าก็ดีมีพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีมีพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ดีมาเป็นผู้มาสอนมาบอก ถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติบ้างในทุกติบ้างหรือในการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเราพบนี้ถือว่าเป็นพบที่มีโอกาสดีเป็น โ, โอกาสทองเพราะเราได้มาพบกับพระพุทธรธรรมพระสงฆ์คือได้พบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสมัยที่มีพระชนชีพยอยู่และได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีพระภิกษุที่มาบวชนี้ได้คัดเอาได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกแล้วก็นำเอาพระธรรมจากพระไตรปิฎกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราจึงได้เรียนรู้เรื่อง การเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของพวกเราและได้เรียนรู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีครับไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีพระธรรมคาสอนให้พวกเราได้ศึกษาได้นำมาไปปฏิบัติพวกเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไป จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาจะพบในรูปแบบกับคือพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีหรือถ้าพระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วยังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนเก็บบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ให้ศึกษาก็ดีหรือได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวรยียนว่ายตายเกิดแล้วก็สามารถนำเอาวิธีการหลุดพ้นของการเวรยียนว่ายตายเกิดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราได้ถ้าพวกเราเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแเราอยากที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายนี้เราก็มี มีผู้สัง่งมีผู้สอนมีผู้บอกวิธีการเราเพียงแต่ศึกษาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถเลือกทางที่สามได้ mm. ก็คือทางไปสู่พระนิพพาน mm. เราจะไม่ไปอบายเราจะไม่ไปสวรรค์เราจะไปไปไปสู่นิพพานไปสู่การสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่พู้เจ้าทุกทุกองที่ได้ทรงตัดสล้วิธีไปถึงพระนิพพานก็จะเอามาสอนคือให้เราละการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติก่อนด้วยการละการกระทาบาปทั้งปวงเพราะการกระทาบาปนี้ เป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณของเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างน่าสาเหตุของการไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้ก็เกิดจากเหตุที่เหตุเหตุ ข, ของการทําบาปมีอยู่สี่ประการด้วยกัน ถ้าทำบาปด้วยความหลงคือไม่รู้ว่าทำบาปแล้วจะมีผลตามมาคือจะต้องไปรับผลบาปก็เป็นถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะเป็นเหตุให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีปัญญาที่จะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเขาไม่รู้ว่าการที่เขา กัดกินสัตว์แม็กสัตว์น้อยเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพของเขานี้เป็นวิธีการส่งให้เขากลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เรื่อยๆมนุษย์ถ้าไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วทรอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทรอาชีพเกี่ยวกับการลักทรัพย์ช่อโกงโกหกหลอกลวง หรือทำอาชีพค้าประเวณีการกระทำบาปเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจหรือดวงวิญญาณของผู้กระทำบาปนี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากมีมากๆอยากหามาแบบง่ายๆเร็วๆก็ต้องทำบาปด้วยวิธีก็ต้องทาด้วยวิธีกระทำบาป ชอโกงบ้างหลอกลวงบ้างรักขโมยบ้างหรือบางครั้งบางคราวก็ฆ่าฟันกันบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองได้ปรารถนาต้องการ mm hmm. ความรลนนี้ทาบาปพาให้คนไปทำบาปนี้จะทำให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเปรตที่หิวโหย mm hmm. ตามที่เป็นดวงวิญญาณนี้ไม่สามารถที่จะไปทำบา เพื่อไปเอาสิ่งที่ตนโลภอยากได้มเมื่อโลภแล้วไ ม, ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็หิวโหวยก็จะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่ถูกความทุกข์ของความหิวโหวยครอบงำอยู่ตลอดเวลาหาความอิ่มความพอไม่ได้เลยหาความสุขไม่ได้เลยนี่คือดวงวิญ ญ, ญาณที่ทำโลภทําบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรต ก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยครอบงำดวงวิญญาณตลอดเวลาถ้าทำบาปด้วยความกลัว<ม>ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวครอบงำอยู่ตลอดเวลาเช<ม>่นกลัวอะไรพอเจอสิ่งที่กลัวก็ต้องทำร้ายเขาก่อนกลัวงูกลัวสัตว์อะไรต่างๆ ถ้าไปเจอไปพบเห็นเข้าก็ต้องกำจัดเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทำร้ายตนเองการทำบาบด้วยความกลัวนี้ก็จะทำให้กลายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวหุ้มหอ่อหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวหลอกล้ออยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียด ฟันตาต่อตาฟันต่อฟันง้างแค้นกันพวงนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ถูกไฟของความความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเผาผ่าน<ม>เรียกว่าไฟนรกไฟของไฟนรกก็ไฟของความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดนี่เองถ้า<ม>ทบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรก พอนั่งกายนี้ตายไปถ้าบาปนี้มีมากกว่าบุญเพราะบางทีเราก็อาจจะได้ทําบุญบ้างแต่ถ้าบุญน้อยกว่าบาป<ม>บาปก็จะเป็นผู้ดึงให้ดวงวิญญาณนี้ไปสู่ทุกขติ<ม>ไปรับผลบาปตามเหตุตามปัจจัยที่ได้ทำเอาไว้ทาบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดลฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรต ทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกแล้วก็ไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นไปจนกว่าบาปที่ได้ทำเอาไว้หมดกำลังลง mm hmm. เมื่อหมดกำลังลง mm hmm. ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะเป็นมนุษย์ที่มีความอาภัพวาสนา เกิดมาก็อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามนานรูปร่างหน้าตาที่โหดร้ายทารุณมีรูปร่างหน้าตาที่อาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยเบียดเบียนมีอายุไม่ยาวนานเป็นต้น มาเกิดในครอบครัวที่ทุกข์ยากลาบากโอดยากขาดแคลนอันนี้เป็นอนิสง์ของบาปที่ได้ทำไว้ที่ติดมากับดวงวิญญาณเวลามาได้ร่างกายมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้ร่างกายที่ไม่ไม่ดีวิธีป้องกันไม่ให้ไปอบายพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์ก็ทรงสอนว่า<บ>ให้ละการกระทาบาปทั้งปวง คำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีสามหัวข้อใหญ่ๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาเกิดมาตัดสรลุแล้วเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกก็จะสอนธรรมะเหมือนกันครับมีคำสอนเหมือนกันมีสามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกั น, นข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบากทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม สามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การละการกระทําบาป ก, ก็จะได้ทําให้ไม่ต้องไปเกิดนับายการสร้างบุญสร้างกุศลก็เพื่อจะได้ยกระดับดวงวิญญาณให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็ให้ชําระจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนา เพื่อยกระดับจิตใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมและสวรรค์ชั้นนิพพานต่อไปนี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็ตามมาตัดสั้ก็จะตัดสั้ความจริงเหมือนกันตัดสั้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาตัดสั้เรื่องหนทางเลือกของการไปของดวงวิญญาตัดเรื่องทางเลือกของการไปของดวงวิญญา่ทางเลือก ก็มีสามทางเลือกคือไปอบายไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายเรียกว่าไปสู่ทุกขติหรือไปเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆก็เรียกว่าสุกติเวียนว่ายในแล้วก็ไปนิพพานไปสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายของการของการของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเบื้องต้นถ้าเราต้องการที่จะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเบื้องต้นเราต้องปิดประตูาบานก่อนเพราะว่าถ้าเรายังทําบาปอยู่เราก็ยังต้องไปชดใช้บาปอยู่เรื่อยๆเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้นั่นเองถ้าอยากจะไปนิพพานอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็ต้องหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในทุกกติก่อนด้วยการไม่กระทําบาป วิธีไม่กระทำบาปก็คือให้รักษาศีลห้าไว้ศีลห้าก็มีข้อสี่ข้อเป็นการไม่ให้ทำบาปสี่ข้อและไม่ให้เสพอบายามุกหนึ่งข้อก็คือการดื่มสุรายามเมาการทำบาปก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีหรือการประพกา ร, ป ร, ป, รประพฤติผิดในกรรมแล้วก็การประพฤติการพูดบด เพราะการกระทำสี่ข้อนี้ไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่ผู้นั่นเองไปฆ่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไปสร้างความทุกข์กายก่คนที่ต้องเสียชีวิตไปไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ต้องเดือดร้อนไปประพฤติผิดในการก็ไปสร้างความทุกข์ความเสียหายให้กับคนที่เขาเป็นเจ้าของไปเช่นไป ยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่ก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับสามีภรรยาของผู้อื่แล้วการโกหกหลอกลวงเพื่อตักตวงผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้ที่ถูกโกหกผู้ที่ถูกโกหกก็ต้องเกิดความเสียหายหเดือดร้อนตาม ไม่ให้การทาําบาปก็คือไม่ให้ไปการไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้ น, นั่นเองส่วนการดื่มสุรายาเมาการไม่ให้ดื่มสุรายาเมานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าไม่ได้ไปทําให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนถ้าดื่มสุราแล้วก็นอนไปก็เป็นเหมือนกินยา น, นอนหลับไปเมาแล้วก็หลับไปแต่ถ้าเมาแล้วไม่ไม่อยู่เฉยเฉยไปทําอะไรนี่อันนี้ จะเป็นเหตุที่จะทําให้ทําบาปกิดขึ้นได้ง่ายเพราะเวลาเกิดอาการมึนเมาแล้วจะไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ต่างๆได้เวลาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็อาจจะไปพูดไม่ดีหรือไปทําร้ายผู้อื่นได้หรือถ้าไปขับขี่ยานยนต์ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือเสียทรัพย์สินได้ การดื่มสุราเลยถูกรวมเข้าไว้ในศีลห้าด้วยแต่ตัวการดื่มเฉยๆนี่ถ้าดื่มแล้วไม่ไปทําอะไรใครดื่มแล้วไปนอนอย่างนี้มันก็ไม่ไปทําให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปจะเปป็นบาก็ต่อเมื่อมีการทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาแต่การดื่มมันจะทําให้ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้เวลานึกคิดอยากจะพูดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีออกมาเวลานึกคิดจะทำอะไรไม่ดีก็จะทำอะไรไม่ดีออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งรวมอบายมุข ข, ข้อนี้ไว้ในสีห้าด้วยในการไม่กระทำบาปด้วยแล้วยังทรงสอนให้ละอบายมุข ข้ออื่นด้วยอบายมุขนี้มีทั้งหมดห้าข้อด้วยกันข้อเดิมสุราก็เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการเล่นการพนันข้อที่สามก็คือการเที่ยวกลางคืนข้อที่สี่ก็คือความเกลียดค้านข้อที่ห้าก็คือการครบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรอ่เอ อ, อย่าไปคบกับคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะถ้าเขาชอบเดิมสุรา เขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาชอบความเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดค้านการเสพอบายมุขนี้มีแต่ศูนเสียงเงินทองทรัพย์สินไม่มีรายได้ถึงแม้ว่าจะเล่นการพนันแล้วอาจจะได้บ้างบางครั้งบางคราว เวลาได้ก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นก็จะเล่นต่อพอเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกเล่นไปเล่นมาก็จะจบลงที่การสูญเสียมากกว่าการกาไรเมื่อสูญเสียก็ต้องขายทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองไปเมื่อไม่มีเงินทองใช้ก็ต้องไปทำบาปเพราะคนที่ติดการพนันเป็นอาชีพนี้ จะไม่มีอาชีพอื่นจะไม่มีรายได้จากอาชีพอื่นเพราะฉะนั้นอบายามุกนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เป็นเหตุให้ไปกระทำบาปต่อไปเนื่องการพนันพองเงินทองไม่มีใช้ก็ต้องใยลักขโมยไปช่อกโกงใบหลอกลวงเที่ยวกลางคืนก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเที่ยวมากๆก็จะขี้จะเกลียดความเกลียดค้านเตื่นสาย ไม่สามารถไปทำงานทำการได้ก็จะทำให้ไม่มีรายได้เข้ามามีแต่รายจ่ายเมื่อจ่ายไปมองเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปความเกลียดค้านก็จะทำให้ไม่ขยันในการไปทำมาหากินเลี้ยงชีพก็จะหาหากินเลี้ยงชีพโดวยวิธีง่ายๆก็คือไปลักขโมยไปชออ่อโกงไปปล้นไปทาบาปด้วยวิธีการต่างๆ <c oughs> นี่ก็คือบาปนี่คือคืออบายมุกอบายมุกนี้แปลว่าทางเข้าสู่อบายออบายแปลว่าอบายมุกแปลว่าทางเข้ามุกแปลว่าวาวรทางเข้าออกถ้าเราไปเสพอบายมุกนี้ก็เท่ากับเราไปยืนอยู่ใกล้กับทางเข้าออกของอบายนี่โอกาสที่จะเข้าไปในอบายมาถึงง่ายเก้าเพียงเก้าเดียวก็เข้าไปในอบายได้เลย แต่ถ้าเราไม่เสพอบา ย, ยมุขเราก็จะอยู่ห่างจากทางเข้าออกของอบาย<ม>โอกาสที่จะไปเข้าไปในอบายจึงจะยากกว่าเพราะถ้าเราสามารถรักษาทรัพย์สินของเราไว้ได้เราก็จะไม่ต้องไปตัง้งไปหาทรัพย์สินมาโดยวิธีมิชอบ น, นั่นเองถ้าเราทำมาหากินด้วยอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วรู้จักเก็บเงินเก็บทองไว้ ไม่ให้สูญเสียไปกับอบายามุฒต่างๆเงินทองที่เราหามาก็จะพอพออยู่พอกินมันก็จะไม่มาบังคับบีบคั้นให้เราต้องไปทำบาปด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ข้อข้อที่หนึ่งทางเลือกทางที่หนึ่งถ้าเราทำบาปเราก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดในสุขในทุกขติไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ทำบาป เราก็จะปิดประตูาบายได้แต่การที่เราจะไม่ทําบาปทั้งชีวิตนี้ก็คิดว่าคงยังจะเป็นของที่ยากอยู่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล <c oughs> โอกาสบางโอกาสก็อาจจะเกิดทำฮเกิดขึ้นมาที่จะบีบบังคับให้เราไปทาบาปก็ได้ <c oughs> เช่นเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากแลนแค้นแล้วก็ต้องลิ้ยง ตัวเองด้วยปัจจัยสี่แต่ไม่มีเงินทองที่จะหามาเลี้ยงได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีทำบาปเพื่อมาเลี้ยงชีพของตัวเองก็ได้นะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันไม่ให้เราไปตกกระ บ, บายเผื่อว่าถ้าเรายังอาจจะต้องทำบาปบ้างก็คือให้ทำข้อที่สองก็คือให้เราทำบุญให้มากๆทำบุญให้มากกว่าบาป ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเวลาที่ร่างกายเราตายไปบุญนี้ก็จะเป็นผู้ดึงใจให้เราไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุในเรียกว่าไปเวียนว่ายตายเกิดในสุคติเพราะฉะนั้นนอกจากการรักษาศีลแล้วเราก็ต้องหมั่นทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญทำทานทำได้หลายรูปแบบด้วยกันทานนี่ก็มี ทำด้วยทรัพย์สินเข้าของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานทำด้วยวิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานทำด้วยการให้อภัยก็เรียกว่าอภัยทานหรือทำด้วยธรรมะถ้าเรามีธรรมะหรือเรามีหนังสือธรรมะที่มีคุณค่าถ้าเราบริจาคไปให้ผู้อื่นพอผู้อื่นได้อ่านหนังสือธรรมะก็อาจจะ บรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเขาได้ก็เรียกว่าเป็นการให้เป็นการทําบุญทําทานไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าเป็นเป็นวัตถุทานก็ไปบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายถ้าวิทยาทานก็เช่นเดียวกันให้ความรู้เพื่อเขาจะได้เอาความรู้นี้ไปทํามาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริตเพื่อที่จะได้มาใช้เลี้ยงดูร่างกายของเขา ก็เป็นการบรรเทาความทุกข์ยากลาบากของร่างกาย<ม>การให้อภัยทานก็คือการไม่ไปทําร้ายผู้อ<ม>ื่นไม่ไปสร้างความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลามีเรื่องมีราวกันเราก็ให้อภัยเขาไป<ม>แล้วก็ถ้าเรามีธรรมะถ้ามีใครเขาทุกข์เดือดร้อนเขามาปรึกษาขอความช่วยเหลือเราก็ธรรมะของพระเจ้าให้เขาไป<ม>ถ้าเขาเอาไปปฏิบัติตามได้ เขาก็จะสามารถบรรเทาความทุกข์ทางใจของเขาได้นี่ก็คือวิธีการให้เป็นการทําบุญทําทานและการทําบุญทําทานนี้ก็สามารถทําได้กับทุกบุคคลไม่จําเพาะว่าจะต้องทําบุญกับวัดทำบุญกับพระเท่านั้นถึงจะเรียวกว่าเป็นการทําบุญทํากับใครก็ได้บุญเหมือนกันเช่นเราไปปล่อยนอกปล่อยปลานี้เราก็ได้บุญหรือไปถ่ายชีวิตวัวควาย เราก็ได้บุญหรือเราจะไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลก็เราก็ได้บุญไปบริจาคเงินซื้อลงศพมาเราก็ได้บุญไม่จาเป็นว่าจะต้องทากับวัดทากับพระเท่านั้นถึงจะได้บุญการให้นี้ให้กับทุกบุคคลได้แล้วผลที่ไดจากการให้นี่เหมือนกันหมดคือจะได้ความสุขใจอิ่มใจ ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ใจเป็นสวรรค์ทําให้ดวงวิญญาณเป็นสวรรค์ขึ้นมาเวลาตายไปก็จะได้ไปอยู่ในสุขตินั่นเองการให้นี้มีสองประโยชน์ด้วยกันประโยชน์แรกก็คือประโยชน์ของผู้ให้เองเวลาผู้ให้ให้อะไรไปให้ไปแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาประโยชน์นี้เราเรียกว่าบุญไม่ไม่เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับ สิ่งที่เราให้ว่าเราให้มากให้น้อยให้ประโยชน์กับผู้อนมากน้อยให้ประโยชน์มากความสุขก็จะมากให้ประโยชน์น้อยความสุขก็จะน้อยแต่ผลที่เราจะได้รับจากการไปให้บุคคลต่างๆนี้ก็มีอีกอันหนึ่งคือผลที่เกิดจากบุคคลที่เราไปให้ของเขาว่าเขาอาจจะมีอะไรให้เรากลับมาก็ได้เช่นถ้าเราไปทำบุญกับพระเนี่ย เราก็จะได้ธรรมะจากพระกลับมาเวลาเราไปทาบุญที่วัดเราก็จะมักได้ยินได้ฟังธรรมจากพระกันอันนี้เป็นผลที่จะต่างกันแล้วแต่บุคคลที่เขามีอะไรจะให้เราถ้าเราทาบุญกับพระเราก็จะได้ธรรมะระดับต่างๆถ้าเราไปทำบุญกับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระแต่มีความรู้ทางโลกเช่นไปทำบุญกับโรงพยาบาล<ๆ>ก็จะได้ คุยกับหมอก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายของเราถ้าไปทำงานบุญกับโรงเรียนเราก็จะได้เรียนรู้วิชาการต่างๆว่าตอนนี้มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วอย่างไรเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลต่างๆถ้าเราทํากับบุคคลเหล่านั้นเราก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เขา ได้มีความเจริญขึ้นถ้าเราทําบุญกับวัดกับพระแล้วก็ส่งเสริมให้วัดได้รับการเจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้าเราส่งเสริมไปทําบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็สนับสนุนให้โรงพยาบาลมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทําบุญกับโรงเรียนแล้วก็ช่วยส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืนอยู่ไปนานๆเป็นตน้นประโยชน์เหล่านี้ต่างกัน เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะสนับสนุนองค์กรใดถ้าเราอยากจะสนับสนุนวัดสนับสนุนพระเราก็ไปทําบุญกับวัดทำบุญกับพระถ้าเราอยากจะสนับสนุนครูสนับสนุนโรงเรียนเราก็ไปสนับไปทําบุญที่โรงเรียนไปกับโงให้กับโรงเรียนถ้าเราต้องการจะสนับสนุนแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้มีกําลังดูแลรักษาพยาบาลคนไข้ให้เพิ่มมากขึ้นได้ เราก็ไปทําบุญกับโรงพยาบาลมันมีประโยชน์ต่างกันพอเราไปสนับสนุนองค์กรที่ทําหน้าที่ต่างกันนั่นเองแล้วประโยชน์ที่เราได้รับจากเขาก็ต่างกันทําบุญกับวัดเราก็จะได้ธรรมะได้คุยธรรมะได้ฟังธรรมะกับพระเราก็จะได้เรียนรู้ธรรมะระดับต่างๆถ้าคุยกับพระที่มีที่รู้ระดับศีลท่านก็จะพูดเรื่องศีลให้เราฟัง ถ้าพระที่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติสมาธิท่านก็จะพูดเรื่องวิธีนั่งสมาธิให้เราได้รู้ได้ฟังถ้าคุยกับพระที่รู้ในระดับปัญญาเนี่ยก็ท่านก็จะสอนวิธีเจริญปัญญาเพื่อให้บรรลุมรรคผลขั้นต่างๆถ้าไปคุยกับพระโสดาบันท่านจะก็จะบอกวิธีบรรลุโสดาบันให้เราได้ยินได้ฟังถ้าคุยกับพระสกิรดาคามีก็จะได้ยินวิธีบรรลุสกิรดาคามี ถ้าคุยกับพระ อ, อนาคามีท่านก็จะสอนวิธีบรรลุเป็นพระ อ, อนาคามีถ้าสอนถ้าได้ทําบุญกับพระอรหันต์ท่านก็จะสามารถสอนให้เรามารู้เป็นพระอรหันต์ไปถึงนิพพานได้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะไปนิพพานได้สําเร็จภาริยะบุคคลสามขั้นแรกนี้ยังไปไม่ถึงนิพพานพระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าเป็นพระสะกิดาคามีนี้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหนึ่งชาติแต่ถ้าเป็นพระอนาคารมีนี้จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์ต่อไปจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปถ้าได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็จะได้ไปไปสู่พระนิพพานได้เข้าถึงพระนิพพานได้ต้องเป็นพระอรหรันต์ ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจผู้ที่กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็มีพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้านี่เท่านั้นถ้ายังเป็นพระอริยบุคคลขั้นอื่นอยู่นี้ยังมีกิเลสตัณหาเหลืออยู่บ้างตามขั้นขั้นของการปฏิบัติแล้วเมื่อได้กำจัดมันมันก็จะทําให้ภพชาติน้อยลงไปจากเจดชาติก็เหลือหนึ่งชาติ แต่หนึ่งชาติก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์อีกแต่จะไปเกิดอยู่ในพรห ม, มโลกไปเป็นพรหมแล้วก็ไปบรรลุเป็นพระอหรหันต์ตัศวกต่อไปไปนิพพานต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระถ้าเราไปทําบุญกับพระอันนี้ต่างกันบุญอย่างนี้ต่างกันแต่บุญที่ให้นี่เท่ากันเช่นให้เงินร้อยบาทกับวัดให้เงินร้อยบาทกับโรงพยาบาล ให้เงินร้อยบาทกับโรงเรียนนี้บุญที่เกิดจากการให้นี้เท่ากันผู้ได้สวรรค์ชั้นเดียวกันถ้าให้ร้อยบาทก็จะได้ถ้าได้ถ้าให้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันบาทก็จะได้สวรรค์สูงขึ้นชั้นสูงขึ้ น, น, นมีความสุขมากขึ้นไม่เชื่อลองสังเกตดูเวล า, าทําบุญให้เงินไครก็ได้ให้เขาร้อยบาทกับให้เขาพันบาทนี้ความรู้สึกมันจะต่างกัน ถ้าเราเสียสละน้อยความสุขก็จะน้อยถ้าเราเสียสละมากความสุขก็จะมากอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญทาทานเพิ่มพูดมาเพื่อให้เข้าใจกันเพราะบางทีบางคนสับสนว่าต้องเลือกทำบุญกับคนถึงจะได้บุญมากถ้าไปทำกับคนที่ไม่มีธรรมะก็จะได้บุญน้อย มันมีบุญสองอย่างด้วยกันที่เราจะได้จากการทำบุญบุญที่เกิดจากการให้นี้ที่เป็นสวรรค์ในใจเรานี้มันเท่ากันให้สิบบาทกับใครก็ได้มันก็จะได้บุญเท่ากันแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนี้ต่างกันถ้าเราไปทำบุญกับพระเราก็จะได้ธรรมะจากพระมาถ้าเราไปทำบุญกับหมอก็จะได้เรื่องวิชาความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกลับมา อันนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําบุญเพื่อไปสวรรค์นี้เราสามารถทํากับได้ทุกคนใครก็ได้แม้แต่พ่อแม่ของเราก็ถือว่าเป็นพระของเราเป็นพระอาหานต์ของเราทําบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้บุญมากเหมือนกันแต่เราจะไม่ได้ธรรมะจากพ่อจากแม่นอกจากถ้าเขามีธรรมะมากน้อยเขาก็จะสอนเราไปตามความรู้ของเขาเท่านั้นเอง แต่บุญที่เราได้รับจากการให้นี้ไม่ว่าจะให้ใครก็จะได้ความรู้สึกเหมือนกันได้ความอิ่มใจสุขใจที่จะติดตัวติดไปกับดวงวิญญาณของเราต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วอันนี้ก็คือวิธีสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆดังที่ในพระคมพีพูดไว้ว่าจงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ก็คือมีการทำบุญหลากหลายด้วยกันเราอาจจะต้องทำบุญหลายรูปแบบด้วยกันอยู่บ้านเราก็ทำบุญกับพ่อกับแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบาย <นะ S 1> คอยรับใช้ท่านคอยดูแลท่า น, น <ะ S 1> เป็นต้นแต่ถ้าเราไปวัดเราก็ไปทำบุญกับวัดถ้าเราไปโรงพยาบาลถ้าเรามีกำลังที่จะทำบุญเราก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลไปบ้างถ้าเราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน เราจบมาแล้วเราไปทํางานทําการมีรายได้เราเอาจจะคิดถึงโรงเรียนที่ให้วิชาความรู้กับเรามาที่ทําให้เราได้มีมีงานที่ดีมีรายได้ที่ดีถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนเราก็เอาเงินไปบริจาคให้กับโรงเรียนอันนี้ก็คือวิธีการทําบุญชนิดต่างๆแล้วนอกจากการใช้เงินใช้ทองเรายังมีวิธีทําบุญโดยการที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเช่นถ้าเราไม่มีเงินทอง แต่เรามีเวลาว่างเราก็สามารถไปทำงานจิตอาสาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่างๆได้เช่นไปช่วยงานปอแต็กตึ้งงานร่วมกตันยูหรือเวลามีภัยพิบัติต่างๆต้องการความร่วมมือกันต้องการความช่วยเหลือกันบางคนไม่มีเงินก็ใช้ใช้แรงแรงกายเป็นการบริจากไปช่วยขนข้าวขนขอ ง, ของไป ไปแจกไปจา่ปจายให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิธีการทำบุญหรือแม้กระทั่งการมาวัดนี้ก็สามารถถ้าไม่มีเงินมีทองก็ยังสามารถใช้แรงกายทาช่วยทำบุญได้เช่นเห็นสถานที่ไม่สะอาดก็ช่วยกันกวาดช่วยกันเก็บให้มันสะอาดเห็นห้องน้ามันไม่มันสกครกก็ช่วยกันทำความสะอาดเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกัน ไม่จําเป็นว่าเราจําเป็นจะต้องมีเงินมีทองเพียงอย่างเดียวเราถึงจะสามารถทําบุญได้เราสามารถทําบุญด้วยด้วยวัตถุหลายอย่างข้าของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเรามีวิชาความรู้สั่งสอนให้เขาให้คนที่มาเรียนรู้จากเราได้เอาไปใช้เป็นวิธีทำมาหากินเลี้ยงชีพเช่นเราสอนวิธีทํากับข้าวอย่างนี้เขาก็ไปเปิดร้านอาหารขายกับข้าวขายดิบขายดีเขาก็จะมีเงินมีทองเข้ามาได้ เราก็เท่ากับบริจาควิชาความรู้ไปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญให้มันทําอยู่เรื่อยแล้วแต่โอกาสบางโอกาสเราอาจจะให้วิทยาทานบางโอกาสเราจะให้ธรรมทานบางโอกาสเราก็อาจจะให้อภัยาทานเช่นเวลาที่เราไม่มีเรื่องมีราวกับใครไปทะเลาะเบาแวงกันเราเกิดอาการอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเราก็ให้อภัยเขาไปพอเราให้อภัยเขาแล้วอาการอาฆาตพยาบาท ที่ที่สมเนี่ยอยู่ในใจที่ทำให้ใจเรารุ่มร้อนก็จะหายไปใจเราก็จะเย็นใจของเราก็จะมีความสุขขึ้นมาเราก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเขาไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนเสียหายเขาก็จะไม่กลับมาทำทำร้ายเราเราก็จะอยู่อย่างสันติสุขกันนี่แหละคือวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆถ้าเราทาบุญอยู่เรื่อยๆ แล้วทำบาปให้น้อยที่สุดหรือไม่ทำได้เรายิ่งดีเพราะเวลาตายไปบุญกับบาปนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะมาดึงไปทางสุกติหรือดึงไปสู่ทุกติถ้าบาปมีกำลังมากกว่า บ, บุญบาปก็จะดึงให้ดวงวิญญาณไปเกิดในทุกกติถ้าบุญมีกำลังมากกว่า บ, บาบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสุกกติเมื่อเราสามารถเวียนว่ายตายเกิดในสุกติได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะ ทำปฏิบัติข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนได้ก็คือให้เรามาชำระสักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อการจะซักฟอกจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้นี้เราจําเป็นที่จะต้องขยับดวงวิญญาณของเราให้ขึ้นสูงกว่าระดับสวรรค์ชั้นเทพให้ขึ้นไปสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมด้วยการถือศีลแปดเพิ่มศีลห้าเป็นเปลี่ยนศีลห้าให้เป็นศีลแปด แล้เปลี่ยนการทำบุญจากการให้ข้าวให้ของให้อะไรต่างๆมาเป็นการซักพอกจิตใจมาเป็นการชาระความโลภความโกรธความหลงภายในใจด้วยวิธีที่หนึ่งก็คือวิธีสติเจริญสตินั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้สงบพอเมื่อสามารถทาใจให้นิ่งให้สงบได้กิเลสตัณหาก็จะหยุดทำงานชั่วคราว เพราอกิเลตัณหาจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อจิตมีความคิดปรุงแต่งถ้าจิตหยุดคิดปรุงแต่งก็ไม่สามารถที่จะแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาได้และการสงบของจิตนี้ก็เท่ากับการเป็นเปลี่ยนระดับของจิตจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมถ้าเข้ารูปประชานได้ก็จะไปเป็นรูปประพรมถ้าเข้าอารูปประชานได้ก็จะไปเป็นอารูปประรม อรูปประชานี้กับรูปประชานี้มีความละเอียดมีความสงบมีความสุขมากน้อยต่างกันความสุขของรูปประชานี้จะน้อยกว่าความสุขของอารูปประชานแต่ก็เป็นวิธีที่จะทําให้สามารถที่จะระงับกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจตัวที่มาดึงให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้สงบชั่วกะว เป็นการตัดกำลังไว้ก่อนด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิสมาธินี้เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติถ้าไม่มีสตินี้นั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะเข้าฌานไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรมาคอยหยุดความคิดต่างๆตัวที่จะมาหยุดความคิดได้ก็คือสติดังนั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาได้นี้ จำเป็นต้องต้องเจริญสติทั้งวันทั้งคืนก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเป็นจนถึงเวลาหลับยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่ไม่สามารถเจริญสติได้เพราะเวลาหลับจะหมดสติแต่เวลาตื่นขึ้นมาก็จะเริ่มมีสติพอเริ่มมีสติก็เริ่มเสริมกําลังของสติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการใช้กรรมฐานที่เรียกว่าเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คอยผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆถ้ามีอารมณ์ของกรรมฐานผูกใจไว้ก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้อันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะทําให้ใจหยุดคิดไดจ้จะสั่งให้มันหยุดคิดเองนี่มันมันไม่ยอมมันไม่ยอมเชื่อไม่เชื่อลองดูสิลองดูความคิดแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะไม่คิดดูสิว่าจะหยุดความคิดได้หรือไม่รับประกรันได้ว่าหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดได้ก็ไปนิพพานกันนานนะแต่เหตุก็คือเรายังควบคุมความคิดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้หยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้เพราะเราไม่มีสติเป็นเครื่องมือหยุดมันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องไปฝึกสติก่อนพยายามเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับการที่จะเจริญสติแบบนี้ได้ต้องเป็นต้องไปทาในวันที่เราไม่ต้องไปทางานทาการ เพราะถ้าเรายังทำงานอยู่นี่เราจ ะ, จะเจริญสติได้ยากเพราะเวลาเราไปทำงานเราก็ต้องพบปะกับคนเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทักทายกันพูดคุยกันการที่จะควบคุมไม่ให้คิดมันก็ทำไม่ได้เมื่อไม่ไม่หยุดความคิดกิเลสมันก็ไม่หยุดเวลาพูดไปคิดไปเดี๋ยวก็เกิดความโลภความอยากเกิดความโกรธขึ้นตามมาได้ถ้าอยากจะฝึกจเจริญสตินั่งสมาธิ ยังควรจะฝึกในวันที่เราไม่ต้องไปทํางานวันที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้พวกเราหยุดทํางานหนึ่งวันก็คือวันพระนี่ให้เรามาฝึกสติจเจริญสมาธิในวันพระกันพวกเราทุกคนถ้าเราอยากที่จะไปสู่นิพพานอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราต้องเริ่มต้นที่วันพระกันถ้าเราไม่มีวันพระนี่โอกาสที่เราจ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธินี้ให้เกิดผลขึ้นมานี้เป็นไปได้ยากมาก เมื่อเมื่อไม่เกิดผลมันก็จะไม่เกิดฉันทะวิริยะตามมาไม่มีความยินดีไม่มีความขยันที่จะปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถฝึกสตินั่งสมาธิจนทําให้เกิดผลขึ้นมาแม้แต่เป็นผลแค่ระยะสั้นๆที่เรียกว่าคณิกาสมาธิถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธิแล้วนี้ มันจะทําให้เราเกิดมีฉันทาวิริยะขึ้นมาอย่างมากเกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาทันทีโดยความยินดีที่อยากจะไปฝึกสมาธินั่งสมาธิให้มากขึ้นเราก็จะมีความเพียรพยายามที่จะหาเวลาไปไปฝึกสติไปนั่งสมาธิให้มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราทําแค่วันละห้านาทีสิบห้นาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ผลที่จะเกิดนี่มันยากผลที่ทําให้จิตรวมเป็นคณิกะสมาธิ นี่มันยากถ้าเมื่อไม่เกิดผลมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะฝึกที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างมากก็อาจจะพยายามรักษาระดับที่เราได้อยู่ไปเท่านั้นไปพังๆก่อนแต่ถ้าเรามีวันพระนี่ถ้าเราตั้งใจเอาวันพระนี้มาให้กับการปฏิบัติล้วนๆเลยจะไม่ไปทำงานอย่าง อ, างอื่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไปหาที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลาพัง พราการจเจริญสติจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกันถ้าเรายังต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นเกี่ยวข้องกับคนนี้เราก็ต้องพูดคุยกันเอาพูดคุยกันมันก็ต้องใช้ความคิดเมื่อคิดแล้วบางทีมันก็เผลอคิดต่อไปเรื่นเปื่อยถึงแม้ว่าจะยากแยกกันไปแล้วก็ตามไอ้เรื่องที่คุยกันอยู่มันบางทีก็ยังข้างๆอยู่ในใจมันก็ามาคิดต่ออยู่เรื่อยๆดังน้นเราต้องหาเวลาหาสถานที่ ที่เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครให้เราอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้เจริญสติตลอดทั้งวันทั้งคืนให้ได้มันวิธีเจริญสติมันก็ง่ายเพียงแต่ให้มีกรรมฐานยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานก็ได้คือใหเเ้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรือจะสวดบทอิติปิโสไปก็ได้ เป็นการเจริญพระพุทธคุณก็เป็นพุทธานุสติเหมือนกันเอาแบบพิสดารก็สวดไปเอาแบบย่อก็เข้าแคกชื่อของพระพุทธเจ้าคือคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนมาเป็นการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ใช้การเคลื่อนไหวการการกระทาต่างๆของร่างกายเป็นกรรมฐานแทนพุทธานุสติก็ได้ ถ้าเราใช้ร่างกายเราก็เรียกว่ากายยกตาสติใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าเราใช้พุทธานุสติเรากใ็ใช้พุทธคุณใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ mm hmm. เราอาจจะสามารถสลับใช้กันได้ระหว่างพุทธานุสติกับกายยกตาสติ mm hmm. ถ้าเราบริกรรมไปแล้วรู้สึกก็เหนื่อย อยากจะหยุดบริกรรมเราก็เปลี่ยนมาดูร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังยืนก็ยืนไปกับร่างกายกำลังร่างกายกำลังรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารไปกับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปไปทำอย่างอื่นบางทีเราให้ร่างกายกินอาหารแล้วใจเราก็ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอันนี้แสดงว่าไม่มีสติหรือ ม, มีสติแค่วบเดียว สติแค่เอาข้าวเอาข้าวเข้าปากเคี้ยวพอเข้าปากเคี้ยวแล้วก็ไปคิดถึงงานต่อแล้วพอเคี้ยวกืนเข้าไปแล้วก็กลับมามีสติตักข้าวเข้าปากอีกทีอย่างนี้มันก็มีสติที่ขาดตอนไม่ต่อเนื่องเราต้องการให้สตินี้มันต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนเราต้องเฝ้าอยู่ดูอยู่กับการรับประทานของร่างกายในทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ขั้นตักข้าวเข้าปากเคี้ยวไปเคี้ยวอยู่ในปาก เกินเข้าไปในปากเกินเกินเข้าไปในท้องแล้วก็กลับมาตักข้าใหม่แล้วก็เคี้ยวใหม่เกินใหม่เราต้องดูทุกขั้นตอนไม่ให้ใจเราเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เลยนี่คือวิธีการฝึกสติที่จะทําให้เราเวลานั่งสมาธินี้ทําให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทําเราสามารถทําได้ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาเราหลับเลย เช่นพอเราเตื่นขึ้นมาปั๊บก็เริ่มต้นบริกรรมพุโทโธพุโทโธเลยก่อนที่จะลุกขึ้นจากที่นอนก็พุโทโธพุโทโธขณะลุกก็พุโทโธพุทโธขณะเดินไปทํากิจล้างหน้าล้างตาอาบน้ําแปรงฟันหรือทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราจะเปลี่ยนมาเป็นการเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้ก็คอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรกําลังอาบน้ํากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟัน กำลังแต่งเนื้อแต่งตัวทําได้สลับกันหรือจะทําควบคู่กันไปก็ได้บางทีอาบน้ําไปก็พูดโทไปด้วยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าอาบน้ํำไปแล้วใจมันไม่ยอมอยู่กับการอาบน้ํามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พูดโทหนึ่งกลับมาก็ได้เราใช้สามารถใช้สองอย่างนี้ช่วยกันช่วยกันดึงใจผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วพอเราเวลามีเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิ เราก็สามารถใช้พุทโทต่อไปก็ได้ถ้าเราใช้พุทธโทรเราก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปโดยไม่ต้องใช้คู่กับลมก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้พุทธเข้าโทออกเราก็นั่งไปไม่ต้องดูลมไม่ต้องสนใจกับเรื่องลมเลยให้อยู่กับพุทโทเพียงอย่างเดียวเลยจะง่ายกว่าจะจะสบายกว่าการที่เราจะต้องใช้พุทโทกับลมควบคู่กันไปพอเราสามารถเปลี่ยนคำเลยกรรมให้ช้าให้เร็วได้ ถ้าจิตบางทีมันฟุ้งมากก็อาจจะต้องทำเบใช้คําบริกรรมให้เร็วขึ้นให้ถี่ขึ้นก็ได้ถ้าใจไม่ฟุ้งใจสบายไม่คิดมากเราก็พุโทโธพุโทโธไปแบบสบายสบายก็ได้แต่แต่ถ้าอยากจะใช้พุโทโธคู่กับลมหายใจก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติอันนี้ไม่ได้ห้ามกันเพียงแต่อธิบายให้ฟังว่าสามารถแยกทํากันได้เอาลมอย่างเดียวก็ได้เอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ ไม่จำเป็น่ะต้องเอาทั้งพุดโธ ท, ทั้งลมควบคู่กันไปถ้าเราอยากใช้ดูลมเราก็ดูลมที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกให้ดูเฉยๆอย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับลมให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆอันนี้เป็นการทำงานบังคับให้ใจต้องทำงานถ้าใจยังต้องทำงานยังต้องควบคุมบังคับลมอยู่ใจจะเข้าสู่สมาธิไม่ได้ ใจจะเข้าสู่สมาธิได้ต่อเมื่อใจไม่ทําอะไรเพียงแต่ใจรู้เฉยๆเท่านั้นเองรู้ลมเฉยๆรู้ที่ปลายจมูกตรงที่จุดนมสัมผัสเข้าออกแล้วก็รู้ว่าลมสั้นหรือลมยาวลมสั้นก็รู้ว่ามันสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นหรือให้มันยาวให้รู้ตามความเป็นจริงของมันมันหยาบหรือมันละเอียดก็รู้ว่ามันหยาบหรือละเอียดมันหายไปไม่สามารถจับลมได้ก็รู้ว่ามันหายไป แต่ย่เปลี่ยนที่ดูก็ดูต่อไปไม่ต้องทําอะไรดูว่าตอนนี้ไม่มีลมให้เราสัมผัสรับรูก้ก็ให้รู้เฉยๆไปเพราะถ้าเรารู้เฉยๆไปเดี๋ยวปั๊บเดียวใจก็จะรวมสู่สมาธิได้แต่ถ้าเราไปคิดปุงแต่งขึ้นมาว่าไอ้ลมหายไปไหนแล้วเราจะตายหรือเปล่าถ้าไม่มีลมหายใจเกิดความวิตกเกิดความกลัวจิตที่จะรวมมันก็จะถอยออกมาแล้วก็ไปควานหาลมไปเพื่อที่จะเอาลมมาเป็นเครื่องผูก ผูกใจไว้ไม่จำเป็นถ้าลมหายแล้วก็ใช้สติดูที่ที่เดิมไปดูเฉยๆไปถ้าดูไปได้ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เอง <Yeah. S 1> พอจิตสงบแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่พระุเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบ <Yeah. S 1> นี้ไม่มี ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพาต่างๆต่อให้ได้เงินถูงรอตรี่รางวัลที่หนึ่งกับการเข้าสมาธินี่ความสุขมันเหมือนฟ้ากับดิน <is> ถ้าให้เลือกระหว่างความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่ได้จากการถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งนี้คนที่ได้สมาธินี้จะเลือกความสุขจากสมาธิทั้งนั้น เพามันเป็นความสุขที่วิเศษกว่าเหนือกว่าดีกว่าแนะมั่นคงกว่า เ, เป็นสิ่งที่สามารถดูแลรักษาไว้ได้ง่ายกว่ากว่าความสุขที่ได้จากเงินทองความสุขที่ได้จากเงินทองมาก็าจจะดีใจช่วงแรกๆรกโอยได้เงินทองมาแต่ เ, เดี๋ยวสักพักก็เกิดความวิตกกังวลแล้วสียว่าจะต้องดูแลรักษาเงินทองนี้อย่างไรเกิดความวิตกกวัวว่ามันจะหายไปหรือเปล่า ความสุขที่ได้ตอนต้นจากการได้เงินทองมาก็กลายเป็นความทุกข์ความวิตกกังวลขึ้นมาแทนที่แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ต้องมีความวิตกกัวงวลว่ามันจะหายไปยไหรือไม่เพราะเมื่อเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรารู้แล้วว่าวิธีที่ทําจิตให้สงบให้เกิดความสุขแบบนี้ขึ้นมาเกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วเราสามารถทําเจริญสติอย่างต่อเนื่องได้แล้ว ต่อไปเราก็สามารถทำต่อได้ทุกครั้งที่เราอยากจะเข้าสมาธิเราก็ใช้สติที่ต่อเนื่องที่ไม่ขาดตอนอยู่กับลมไปก็ดีแรืออยู่กับความบริกรรมไปก็ดีเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ mm. อันนี้แหละเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอนได้มาแล้วก็อาจจะสูญไปได้วันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ทรัพย์ภายในก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ มันเป็นของเราเราสามารถเก็บเอาไว้กับตัวเราไปได้เวลาร่างกายตายไปเราก็เอาไปกับเราได้<ม>แต่แต่ทรัพย์ภายนอกมีเงินกี่ร้อยล้านกี่พันล้านนี่เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว<ม>ก็จะไปแบบขอทานไปไปอยู่แบบขอทานในในในโลกทิพย์แต่ดวงวิ ญ, ญญาณที่มีความสงบจากรูก ป, ประชานหรือรูกประชานไปนี้จากสมาธินี่จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรห ม, มโลก นี่และคือความวิเศษระหว่างสติกับสตางสตางก็ให้ความสุขในขณะที่เรามีร่างกายสามารถเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรมามากินมาดูม า, มาฟังมาอะไรได้แต่พอเวลาตายไปนี้สตางเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่สตางเดียวแต่สิ่งที่เราไปได้ก็คือสติสตินี้ก็จะนำเนรมิตสวรรค์ชั้นต่างๆให้เราได้เส็ได้สัมผัสเนรมิตสวรรค์ชั้นพรหมให้กับเรา ให้จิตเราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมาโลกเลยนี่ก็คือการชำระจิตใจเบื้องต้นด้วยการหยุดทาจิตให้หยุดให้สงบเพราะเวลาจิตหยุดสงบแล้วกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ตัวที่มาดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่สามารถทำงานได้ภพชาติก็ถูกตัดไว้ช่วกเทาาแต่ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถาวร เพราะว่าสตินี้ไม่สามารถทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรเวลาออกจากสมาธิมาพอพอเริ่มคิดเริ่มไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นได้ ท, ทันทีเห็นรูปก็อยากจะเสบรูปได้ยินเสียงก็อยากจะเสพเสียงขึ้นมา ท, าทันทีถ้าอยากที่จะตัดความโลปความอยากให้มันหมดไปจากใจก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการเสพความทุกข์ เพราะว่าความสุขที่ได้เป็นความสุขแบบชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันมพอมันหมดไปมันก็ทําให้ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาเกิดความทุกข์ใจตามม า, า, ม า, มมาพอเห็นว่าการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสการไปเสพลาบยศสารเสริญนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ด้วยเห็นด้วยปัญญาใจก็จะไม่ไม่อยากจะเสพอีกต่อไปไม่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากจะได้ะลาบยศสารเสริญ เพราะกลัวเพราะไม่อยากจะไปเจอกับความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปความอยากต่างๆก็จะสุนหมดไปจากใจอย่างถาวรพอความอยากความโลภที่เคยพาให้ใจมาเวียนว่ายตายเกิดมันหมดไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจก็จะอยู่นิพพานชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างถาวรต้องชำระ ด, ด้วยการเจริญปัญญาหรือ การภาวนาที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาขันต้นเราใช้สมถภาวนาเพื่อหยุดหยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ชั่วคราวด้วยสติและพอเราหยุดมันได้แล้วเราก็จะมีกำลังใช้วิปัสนาภาวนาคือใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์จะตามมาถ้าเราไปเสกถ้าเราไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไป พอจากกันเมื่อไหร่ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาทันทีอันนี้ก็คือวิธีการชำระใจให้สะอาดบริสุทธหลังจากที่เราได้สร้างสวรรค์ชั้นเทพด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไว้ได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปชำระจิตใจด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาตามลำดับเราก็จะสามารถทาให้ใจนี้สะอาดบริสุทธ ใจที่สะอาดบริสุทธก็เรียกว่านิพานนี่เมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์ใจเป็นนิพานแล้วใจก็จะไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่มีความอยากที่ต้องการลาบยุติรเสริญสุขจากรูปเสียงขีดลดต่อไปใจก็จะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือทางเลือกที่สามของดวงวิ ญ, ญญาณที่พวกเราสามารถเลือกกระทำได้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อด้วยกัน ข้อแรกให้ปิดประตูบายให้หยุดการเวียนว่ายในทุกขติด้วยการละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงแล้วก็ให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติก่อนด้วยการทําบุญทําทานรักษาศีลห้าไปแล้วถ้าเราอยากจะชำระใจให้สาะอาดโดยสุดยุดติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็มารักษาศีลแปแล้วก็มาเจริญส ม, มถภาวนาวิปัสสนาภาวนาถ้าเราทําได้สําเร็จใจเราก็จะสะบบอาดโดยสุด เป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือทางเลือกทั้งสามทางที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมีวะอิตูทินงังเปตานาังอุ ป, ปกัปติ เอติตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิชโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรคโควินั ส, สตุมาเตภะวะตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะ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 เป็นช่วงเดียวที่เราจะได้คุยได้ตอบคำถามกันหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้โอเควันนี้มีผู้ติด ต, ตามทั้งหมดเท่าไหร่ เพยนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสามร้อยหนึ่งท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามร้อยแปดสิบหนึ่ง YouTube ดร v 5ห้าสิบห้า YouTube Online สิบ Clubhouse หนึ่งนากุติหนึ่งร้ยหกสิบหกรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิบสี่ท่านค่ะคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ รเรียนถามมีโอกาสไหมครับที่หลวงพ่อจะเมตตาเดินทางไปโปรดรับบิณฑบาตญาตโยมที่รักและศรัทธาในองค์หลวงพ่อและหลวงตามัวที่สวนแสงธรรมฝั่งกรุงเทพครับคงไม่สะดวกเลยเพราะว่าเราก็มีที่ของเรามีคนก็รอสายบาตอยู่เป็นประจําอยู่แล้วใครอยากจะใส่เข้ามาที่นี่ก็แล้วกันจะได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลำบากไม่วุ่นวาย คำถามจากทางยูท b e พระอาจารย์สุชาติค่ะการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมที่บ้านได้บุญไหมคะการปฏิบัติที่ไหนก็ได้บุญเพราะั้นถ้าได้ผลไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่สถานที่นี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยหรือจะทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นหรือยากขึ้นสถานที่สงบสงัดวิเวกก็จะเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้การปฏิบัติง่ายขึ้นดีขึ้น สถานที่ไม่สงบที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะเป็นสถานที่ที่ทำให้การปฏิบัติได้ยากเพราะงั้นสถานที่มันก็มีส่วนแต่ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่การปฏิบัติคำถามจากทางย t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรนำมาลดหย่อนภาษีดีหรือไม่เนื่องจากเราได้สละทรัพย์ไปแล้วครับ คือถ้าเอากลับคืนมาเราก็ลดเราก็ตัดเงินทําบุญของเราให้น้อยลงเช่นทําบุญร้อยบาทแล้วเราเอาคืนมาสิบบาทแล้วก็เท่ากับทาบุญเก้าสิบบาทงั mm ้น hmm. อย่าเอาดีกว่าหรือถ้าจะเอามาก็เอาไปทําบุญต่อ mm hmm. ก็จะได้ครบร้อยอย่ดี mm hmm. มันก็เสียเวล า, ปา mm hmm. เปล่าๆงั้นทําบุญไปแล้วอย่าไปหวังเอาเอาคืนดีกว่าเ mm hmm. พราะมันเราจะไม่ได้เต็มร้อยทาทำร้อยแต่เอามาคืนเอาคืนมาสิบก็เลย ทำจริงๆก็ทําแค่แเก้าสิบเท่านี้ไม่ได้ทาเต็มหน่อยคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะธรรมะสำหรับการห้องเรือนสามีภรรยาปฏิบัติอย่างไรคะก็ศีลห้าไงให้เสื่อสัตว์เขาลบรักกันไม่ไปแอบมีอะไรที่นอกที่นอกบ้านไม่มีบ้านน้อยบ้านใหญ่มีคนคนเดียวรักกันไปจนวันตาย ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ถ้ามีการาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแอบไปมีแฟนใหม่อย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ดนั้นถ้าอยากจะมีความสุขก็รักษาศีลห้าให้ดีมีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วชีวิตของเรือนก็จะมีแต่ความสุขคำถามจากทางเฟ e บ o o k พระทาจสุชาติค่ะ ถ้าเราฝากเงินให้คนช่วยเอาเงินไปทําบุญให้โดยฝากไว้เป็นก้อนแล้วแต่เขาจะจัดสรรทําให้พอหมดเราก็ฝากใหม่แบบนี้จะได้บุญเท่ากับเราที่โอนไปทําเองทีละวัดทีละวัดไหมคะคือบุญที่ได้จากการบริจาคเงินนั้นเท่ากันแต่ที่อาจจะไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ทําเองคือความเพียรบุญที่เกิดจากการมีความขยันหมั่นเพียร เอาเงินของเรานีไปทำด้วยตัวของเราเองอันนี้เราจะไม่ได้แต่มันก็เป็นส่วนย่อยส่วนใหญ่ก็คือบุญที่จากการให้ของเราให้ร้อยเราก็ได้ร้อยเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าจะฝากเขาหรือทาเองก็ได้ร้อยเท่ากันคำถามจากทาง facebook ค่ะให้กําหนดรู้ลมหายใจข้อออกเฉยๆเดี๋เจ้าค่ะให้รู้ให้รู้ลมอย่าไปกําหนดลม ปล่อยให้ลมมันหายใจตามปกติของมันเราเพียงดูมันว่ามันหายใจเอาดูมันหายใจเข้าหายใจออกเพื่อใช้การดูนี่เป็นการหยุดความคิดของเราคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะทําอย่างไรจึงจะสามารถจําจดจําบทสดดวดมนต์ยาวๆได้เหมือนพระสงฆ์คะก็หัดท่องทุกวัน ท่องจนกระทั่งจําได้ถ้ายังจําไม่ได้ก็ท่องไปเรื่อยๆถ้าอยากจะจําเร็วก็ท่องบ่อยๆวันละหลายๆรอบก็ได้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะทําบุญวันพระได้บุญมากกว่าทําบุญวันธรรมดาไหมคะบุญเท่ากันก็ได้เท่ากันไม่ได้อยู่ที่วันถ้าทําบุญร้อยบาทในวันพระแล้วไปทําบุญพันบาทในวันไม่ใช่วันพระก็บุญพันบาทมันก็ต้องมากกว่าบุญร้อยบาท ไม่ได้อยู่ที่วนันพระัดหรือไม่ใช่วนันระอยู่ที่ปริมาณจํานวนเงินที่เราเบริยจากไปคําถามจากทาง facebook ค่ ะ, อะขออนุญาตอ่านคําถามให้กระชับนิดนึงนะค ะ, ะการดํารงชีวิตวิถีชีวิตแบบคนทางโลกทางโลกิยะที่สุดแล้วทุกสิ่งนัปลายทางล้วนแต่มีความผิดหวังไหมคะ แต่ถ้าดํารงกายวาจาใจไปทางธรรมทางโลกุตตะมุ่งภาวนาพิจรารณาสภาวาธรรมที่สุดแล้วปลายทางคือความสมหวังยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลําดับขั้นของภูมิธรรมที่จะบรรลุความคิดเช่นนี้ครบถ้วนถูกต้องหรือยังคะความคามเจริญทางธรรมนี้มันเป็นทุกข์ต้นแต่สุข ป, ปลาย เวลาปฏิบัติทางตอนต้นนี้มันยากมันลําบากต้องสละความสุขทางโลกมันถึงจะได้ความสุขทางธรรมแต่พอได้ความสุขทางธรรมแล้วมันก็จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนอยู่กับเราส่วนความสุขทางโลกนี้มันง่ายมันสุขต้นแต่ทุกรายเพราะตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงเราก็สามารถหาความสุขทางโลกได้ดีพอร่างกายเข้าสู่วัยชราสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยสู่ความตายตอนนั้น ความสุขที่จะหาทาผ่านทางร่างกายก็แทบจะหาไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความสุขทางโลกนี้เป็นสุขต้นแต่ทุกปลายความสุขทางธรรมนี้เป็นทุกตอนต้นนะสุขตอนปลายเขาถามว่าการคิดอย่างนี้เป็นเป็นเหตุที่ทำให้เป็นเบื้องต้นของอริยามรรคแปดเพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติให้จริงจังต่อเนื่องถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้อง คำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะขอพระอาจารย์แนะนำขอพระอาจารย์แนะนำเจ้าค่ะอยู่กับโลคอย่างไรไม่ให้ติดกับโลกแต่ติดทำได้อย่างบริบูรณ์และงอกงามเจ้าค่ะมันจเจริญพิจนารณาอนิจจังอยู่เรื่อยๆาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสริญสุขและร่างกายของคนเราทุกคนนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว กแล้วก็ต้องมีวันดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จิตใจเราก็จะสงบจิตใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเวลาที่ต้องมีการพัดพากจากกันตอนนี้ยังไม่มีคำถามไหมคะโอเคเมื่อกี้มีชาวต่างชาติคนหนึงไม่ทราบยังอยู่เปล่าไม่อยู่แล้วผู้หญิงเห็นบอกว่าอยากจะถามภาษาอังกฤษ You know, we have a friend from from Australia, I think, Brisbane, whom I wish to ask some question. If you're still around here, you can come up here to talk through the microphone. Probably gone home already, so no no problem. n y b y a n a to a s m any q u e t i o n มีคําถามใหม่เข้ามาหรือยอย่าเ <Yeah. S 2> อชวนถามต่อได้คําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราฟังธรรมแล้วกินข้าวไปด้วยถือว่าบาปไหมคะไม่สมควรควรจะทําทอย่างใดอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการยาลานสติการยร า, านสตินี้ต้องต้องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียง อ, อย่างเดียวฟังธรรมก็ฟังธรรมอย่างเดียวรับประทานอาหารก็รับประทานอย่างเดียว ไม่ควรทำสองอย่างพร้อมกันเพราะจะทำให้ใจแตกเป็นสองเราจะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยจากทั้งสองอย่างกินอาหารไปก็อาจจะไปเคี่ยวถูกเคี่ยวของแข็งก็ได้เคี่ยวไปเจอกล้ามขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินด้วยสติเราก็จะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องกินถ้ากินไปฟังไปมันก็จะทำให้ใจเราอยู่สองที่วิ่งไปวิ่งมา ไม่ดีไม่ควรทําควรจะทําทอย่างใดอย่างหนึง่งคําถามจากทาง youtube ดร์ค่ะทําอย่างไรถึงจะตัดความรักได้เจ้าคะต้องมองเห็นความไม่เที่ยงของความรักมองความรักก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เรารักก็เป็นของไม่เที่ยงคนที่เรารักวันนี้อาจจะอยู่กับเราพรุ่งนี้อาจจะจากเราไปก็ได้เรื่อความรักที่เราให้กับเขาวันนี้เราอาจจะรักเขาพรุ่งนี้เราอาจจะเบื่อเขาก็ได้ ไม่มีอะไรแน่นอนคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะมีอาชีพขายของชายังมีความจำเป็นต้องขายเหล้าบุหรี่ยังไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ในตอนนี้รู้สึกกังวลควรจะวางใจอย่างไรดีคะถ้าเหล้ามันหมดบุหรี่มันหมดเราจะขายได้หรือเปล่าก็คิดว่ามันหมดก็แล้วกันเนาะขายแต่ของที่เรามีก็แล้วกัน อเดยวเราอาจจะได้รายได้น้อยหน่อยแต่เราจะได้ไม่ไม่ส่งเสริมให้คนไปไปเสพอบายามุขที่อาจจะไปทำให้เขาไปทำร้ายผู้อื่นต่อไปได้ในคิดเสียว่าเหล้าหมดสุราหมดบุหรี่หมดก็ไม่ต้องไปสั่งซื้อมาใหม่แลวก็ขายของที่เรามีอยู่ก็พอคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะ นั่งสมาธิภาวนาพุโทโธแล้วเหมือนภาวนาเองอัตโนมัติแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่รู้ตัวภาวนานั้นอยู่เหมือนซ้อนกันสองส่วนไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรต่อครับไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวให้มันหยุดความคิดแต่นั้นเองส่วนจะรู้สึกมีคนสองคนสามคนนี่ไม่ต้องไปให้ความสนใจมันเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตคิดไปเอง ให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวอย่าให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆหมดแล้ยังอีกคําถามนึงค่ะหมดแล้วอ่ะมีอีกคําถามหนึ่งค่ ะ, ะคน้องก็ถามสิ <laughs> ไม่ทําอะไรหรอ <laughs> คําถามจากทาง youtube ดร์วค่ะถ้ายุงมากัดแล้วตกยุงถ้ายุงมากัดแล้วเราตกเราบาปไหมเจ้าคะ่ะบาปสิถ้ามันตายอะ <laughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะระหว่างไปฟังธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดกับฟังผ่านออนไลน์ได้บุญต่างกันหรือไม่คะก็อยู่ที่ได้ผลได้ความสงบได้ความเข้าใจหรือไม่ถ้าได้ความสงบได้ความเข้าใจก็ได้บุญถ้าไม่ได้ความสงบไม่ได้ความเข้าใจก็จะไม่ได้บุญในการฟังธรรมคำถามจากทาง y youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าเราอยู่บ้านนั่งทำงานฝีมือโดยนั่งทำทั้งวันแต่การทำงานนั้นเปิดฟังทำทั้งวันเกือบ24ชั่วโมงเราควรพักแล้วจเจริญสติพุทธโทด้วยจะดีกว่าไหมคะก็แล้วแต่เราถ้าเราได้ประโยชน์จะฟังไปทั้งวันได้ก็ฟังไปถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็หยุดฟังบ้างก็ได้หมดแล้วใช่ไหมค่ะหมดแล้วหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ